ก่างไหมวันน น้องไม่สําคัญเพราะเราเป็นกรรมฐานาแล้วก็หลอนมาเลยแต่มาเราก็ไม่เอาผิดเอาถูกกันมีอะไรเราสู่กันอยู่กันชินไปแล้วขอ ไ, ไปเวลารเราหลอนมาเราก็ไม่ได้เอาผิดเอาถูกกันมีอะไรก็หือนบ้านหลอนเมืองเราวัดพระพุทธศาสนาก็คือวัดเราเนัเองไปที่ไหนก็วัดเราเนนัเองถ้าเราถือเป็นวัดนั้นวันนี้โดยแยกกันเป็นเอกเทศจนร่วมกันไม่ไหวไม่ได้มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน ก็ถือเป็นวัดพระพุทธศาสนาถือเป็นประชาชนชาวผู้ของพุทธศาสนาเดียกันครับปัญหาก็ไม่ว่าถ้าเราพูดแคบปัญหามันก็มากถ้าพูดกว้างๆไปปัญหามันก็น้อยถ้าเรานัดหมายสมาหากันถ้าตอนรับปภาศัยไม่สมประสงค์ก็ไม่สมที่นัดหมายมาแล้วก็มีสิ่งที่พิจารณาอีก นี่เท่าเราถ้าเราร้อนมาอย่างนี้อยู่ยังไงกินยังไงเขาเรียกว่าคนกันเองเลยก็ยิ่งดีกว่านัดหมายจะด้วยมันดีไปคนละอย่างนัดหมายก็ดีไปอย่างไม่นัดหมายก็ดีไปอย่างแต่ไม่ถือกันทั้งสองอย่างก็พอเลยเข้าใจนะพี่อื ม, อม แล้วคนใดประสงค์จะปลาโรคอันใดก็ให้มีสิทจะให้มีสิทแต่เจ้าถิ่นก็ไม่ผู้ที่มาหาก็ต้องให้มีสิทด้วยว่าอยากจะปลาโรกอะไรบ้างแต่ว่ารู้ดีอยู่แล้วว่าชาวพุทธไปทางไหน ก็ต้องเอาความประสงค์ของ พ, พระพุทธพระธรรมประสงค์ออกหน้าออกหน้าคิดหน้าใจหน้าเจตนาเป็นเครื่องไฟเป็นเครื่องหมูแต่ ว, ว่าความประสงค์จะพูดถ้าธรรมมันมีหลายแง่มีหลายมุมถึงจะมีหลายแง่หลายมุมก็ตามมันก็ออกไปจากไกเท่งนั้นแต่ว่าจะพาลอะไรก็พากันพารบให้มีอิตระทุกทุกท่าง ทั้งพระด้วยทั้งเนนด้วยเรามาท่องเที่ยวในวัดเจ้าท ong ศาลไม่ได้มาด้วความบันดาลมาด้วความจำเป็นที่เรายังมีกิเลสจำเป็นต้องเป็นเหตุให้ได้มาเกื้อเกี่ยวเก็บตายในวัดเจ้าท ong ศาล ทางออกไปสู่พระนิพพานพระพุพทธเจ้าองค์ใหๆองค์ใดๆก็มาเทศคำเดียวกันมีธานวัตรีวัตภาวนาวัตทุกๆพระองค์ไม่มีคำแย่งแข่งดีกันเลยแต่เราจะปฏิบัติได้เพียงไหนไมันพบขึ้นอยู่กับเราเองอยู่กับความภาวนาดูกับความศรัทธาและปัญญา และสติที่เราจะทำได้ถือว่าเราก็มีอิสระทุกท่านทุกคนอิสระเกิดอิสระเกี่ยวอิสระเก็บอิสระกายอิส ร, ระทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีอิสระอยู่ในตัวแล้วเกิดตระกูลสูงเกิดตระกูลต่ำเป็นคนโงูกคนฉนาดใครมาทำให้ เราเองเป็นผู้สร้างมาไม่มีใครมาทําให้ถ้าผู้เป็นเจ้าเขามามาทําให้พญายมเขาไมามาทาให้ถ้าผู้ที่เจ้าก็เป็นเพียงแนะนำสั่งสอนเท่านั้นทุกพระองค์เทียวั้นก็สอแสดงให้เห็นว่าพวกเราเคยได้มาเกิดมา พ, พบพุทธาตศาสนามาร้ายชาติร้พบแล้วจึงมันดานในเรื่องใสในพระพุทธศาสนา ตามนิติ์กำลังของตนของตนเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่บุคคลผู้หูหนาตาเถือนจะไปเลื่อมใสคนที่มีวาสนาได้สร้างบา ร, รมีมาแล้วจึงพอที่จะกราบลงไหว้ลงฟังลงพิจรารณาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สอนเสียงให้เห็นว่า ยังไม่ได้มาประสบ พ, เพบเห็นพระพุทธศาสนาเพราะยังไม่รู้จักความเลือกใสเคารับนับถือเรื่ใมใช้คำสอนของพุทธศาสนาสอนใละชั่วทําดีสอนอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษาย่นตรงสั้นก็รักให้ละชั่วทําดีให้ทําจิตบันเทิงในการละชั่วทําดี ทว่าในบาลีสัพปาปัตตะอาาัตตะนังกุตเระสู่กัสส ะ, สะระสัิตสัจจิตตปฏิโยสัพนังเมตังมุธานาสานังการละบาบำเพิญมุลและทำจิตให้ยิ่งในการละบาบำเพิญมุลเป็นคำสอนของพระเจ้าตัวน้อ รู้ที่เจ้าทั้งหลายประมาสอนจิตของใจเพราะจิตใจมาท่องเที่ยวในวัาสงสารสว่วนบองต้นขอนในทัมมาหาเรื่องชีวิตในทางสิทธิชอบที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้เห็นชอบในภภพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้เห็นชอบในการทําดีได้ดีัำชัวช่วได้ชั่วเกาเรียกว่าเห็นชอบเรื่องกลาง สอนให้เรีบเล่งให้แบ่งเวลาออกเวลาทำมาหาเรื่องชีวิตบ้าเวลาทำกุศลผลบุญบ้าจะเดินนงลมพ่อนาหรือเจ้ลึกคุณ พ, พระพุทธธรรมประสงค์ในใจบ้าให้จิตไปในทางบริสุทธิ์ ไม่ให้ไปทางเบียดเบียนมีการค่าแสนรับชับความึกขในการเริ่มต้นรูหวของมนุษย์ก็มีเส้นห้าเป็นร่หัวโครกระบือหรือสั์อื่นว่าต้องมีหนามมีรั่วภายนอกรอบถึงแม้อย่างนั้นมันก็ยังกระโดดหรือชนหรือปิดออกได้แต่มนุษย์ของเรา ก็ต้องมีทำไม่ในเป็นรั้วเหมือนกันเป็นเรื่องประดับเหมือนกันศีลเป็นเครื่องประดับของหน้าตาพระสมาธิปัญญาก็เหมือนกันใน่ความดีก็เหมือนกันความดีคนดีทำในง่ายความดีคนชั่วทำดนยากคนชั่วคนดีทำดนยากคนชั่วคนชั่วทำในง่ายเขาใครเข้ามาพูดพูดแมงวันกินง่าย แต่แมอแรงพึ่งไม่ไปเสียแล้วทันย่าสิ่งเหล่านี้ยรมจงกันข้าความสมนวนของมนุษย์หรือสัตทั้งปวงในใจโลกภาพมันมีเสมอภาคกันอยู่แน่นคือชอบสุข ไม่ชอบทุกข์ถึงจะบันหยัดสุขทุกข์ไม่เป็นก็าตามทุกข์เรามาชอบเลยแคบสุขเสมอการทางนั้นข้อคามที่จากเปลี่ยนไปแต่การกระทําทําต่างกันเมื่อกระทําต่างกันผลลัพธ์ความสุขก็ต้องผิดกันบ้างปุ๊บ ก, ก็ต้องผิดกันบ้างถ้าเสมอกันหมดก็เสมอกันหมดเหมือนพระาราหัทนท่านพ้นไปแล้ว เพืนพระสวัสดีวันพราคาเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่สอนให้วางอาวุธวางอาวุธที่มันเป็นเวรเวรภัยแต่ให้ถืออาวุธที่มันเป็นเวรเวนภัยวางอาวุธทิ้งให้ทิ้งอาวุธเสียให้โปรดอาวุธเสียอาวุธที่เป็นเวรเวนภัยแต่ให้ถือ อาวุธต่อสู้สิ่งที่เป็นเวนเวนไช่มีทานวัตศีลวัตภาวนาวัดพุทธคำสงฆ์เป็นหัวหน้าในหัวใจพุทธโธแปลว่าผู้ให้ทานาารพระาสนาธรรมโมแปลว่าผู้ทรงไม้ขึ้นทานศีลพอนาครสังปโฆแปลว่าผู้ปฏิบัติทา น, น, าทานาาศีลาวนาครตกลงพุทโธธรมโมสังโฆก็อยู่ที่แห่งเดียวกันก็เป็นอาวุธรวมพลอยู่ที่กิตใจใจจะสูงขึ้นในทางที่้อบ ก็เพราะพระพุทธศาสนาะเพราะปฏิบัติพระพุทธศาสนาะใจจะต่าลงในทางที่ไม่ชอบก็เพราะทิ้งพระพุทธศาสนาะออกจากหัวใจใค ร, ใครๆก็คงจะมองเห็นเมือม่อทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามาถึงขนานนี้แนละ้วก็คงพอมองเห็นแนละ้วมีความเชื่อได้แลนะ้วเชื่อตัวเอง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมและผลของกรรมเป็นสารตัดสินของชาวโลกทั่ว้งใจโลกธาตุเลยใครจะถือศ า, าส น, นไาไหนก็ตามกรรมและผลของกรรมย่อมเป็นเครื่องตัดสินอยู่โดยตรงจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหากรรมและพจน์พบก่อนก่อนก็ตามคําว่ากรรมหมายความว่าเจดีย์ที่ทํา ทำเมื่องกายเรว่องกายกรรมทำเรื่อง ว, วิจิเรื่องวิจีกรรมทำเรื่อใจเรื่องอารมณ์กรรมแ บ, บ่งออกเป็นสองมีกุศลกรรมอากุศลกรรมเป็นต้นโดยย่อแบ่งออกเป็นสองมีทางดีและทางชั่วเมื่อทำดีลงแล้วในหัวใจความดีก็ไหลมาหาสูงหัวใจตอนไหนทำชั่วออกจากหัวใจเพราะหัวใจเป็นผู้วางแผนความชั่วก็มาหาหัวใจนะเห็นนั่นดีชั่วไม่อยู่ที่ หนังสืออยู่ที่หนังสือใจอยู่ที่พระใจพี่รกใจใตแปลว่าสามรวมลงมาก็ลงมาหายใจเขาเรียกว่าเอกับพี่รกพี่รกเขาแปลว่าใจเตแปลว่าสามกายวายกายใจแปลว่าเตอเตพิทักังเตแปลว่าสามกายวายกายใจรวมเข้าเป็นไจพิ่รกถ้าไปทําผิดก็บัรยากาศว่าบาป ถ้าพาคำไปทำชั่วก็บัญญัติว่าบุญถ้าไม่มีวิจิตก็บัญญัติว่ามรรคผลนม่พานักเราเป็นลำํลำดับพระใจพิรกุกก็จบแล้วเย่านี้รครบหมดครบหมดถ้าใจพี่ตกเราก็ครบหมดแล้วเพราะเราไม่เป็นว่าไหวเสียเจเลสผิดมนุษย์สามารถจะรับำคำคําสอนของพอระบรมศาสด า, ศ า, าได้ตามจติตกาลังของตัวของตน ซึ่งไม่เหลือ ว, วิสัยเนื่อ ว, ว่าพระใจพีดหลวงคบไม่เป็นว่าว่าจยจะเรียกเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เต็มภูมิแล้วก็มีอิสระที่จะทำดีตามสติของกำลังของตนให้เต็มภูมิเหมือนกันเพื่อรักษาภูมิมนุษย์เทวดาและทงมและนิพพานไว การท่องเที่ยวนะว่าเจ้าสงสารไหมใช่ครับเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เกิดทุกข์เกิทุกข์เก็บทุกข์ตายที่พรบรมสารีดาองค์ไหนๆก็ต้องมายกกระทู้นี้ขึ้นก่อนชาติพ่ทุกขาชาลาพิทุกขามะระนำพิทุขาความโศกเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความป่มาถนะไม่สมหวังก็เป็นทุกข์าพาัดภาคจากสิ่งที่รับไปก็เป็นทุกข์ทุกทั้งหลายเหล่า น, นี้ละที่เรียกว่ากิเลสเป็นทุกข์ส่วนทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเพระบรมาศาสดาเพราะในพวกเราพิจารณาเป็นอารมณ์เพื่อมาให้เข้าใจผิดเพื่อให้เพื่อมาให้เพลินในตัวแก่เ ก, เก็บตายโดยหน้านเดียว ยินดีในเกิดก็ยินดีเพื่อจะสร้างเวรเมีหนีสงสารให้พิจารณาเรื่องเกิดแก่เก็บตายให้เป็นเครื่องเบื่อนหน่ายทายมอในวัฏรงสา น, นี่เป็นธรรมชั้นสูงธรรมชั้นต้นมนุษยสาวปฏิราปโพความได้เป็นมนุษย์เป็นราษ ย, ยิ่งแล้วเพราะจะได้พระายามปฏิเัติตนให้พระสู่พรนิพพานเพื่อจะไม่ได้ให้มาสูแก่เก็บตายอีก ก็จะปล่อยว่าให้พวกครับพิรัษานหรือพวกเขาล่องชอบแก้แคแก้หรืออะไรแต่อะไรเขามาเป็นมนุษย์แทนเราเมื่ออยากอยู่ขวางเขาให้เราเข้าสู่เขาจะพานไปสร้างให้มันเป็นนุ่มยุบไปเป็นทะดทอดไปแต่ก็จําเป็นมันเหนือวิเัยก็ต้องอยู่แต่เมื่อมันบางแล้วมันถึงคราวมันแล้วมันก็ต้องไปดอกบัวสีเหล่ามันก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกสมัยไม่ใช่มีแต่ข้างพุทธกา ดอกบานก็บานเต็มภูเข้าสู่วานบานไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูดอกเสมอหน้าก็เสมอหน้าเต็มภูดอกใต้น้าก็ใต้น้าเต็มภูดอกบวัวแต่ละดอกแต่ละพูแต่ละปอก็หมายความว่ากวเดียวกันมันมีทั้งดอกบานนั้นก็มีทั้งดอกเป็นตูม มันก็มีทั้งดอกอยู่ใต้น้าดอกบัวกว่าเดียวกันก็เปรียบเหมือนคนในโลกแต่ละดอกก็เปรียบเหมือนคนแต่ละรายของบุคคลมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่มีแต่สมัยข้างพุทธกา ข้างไหนก็เป็นข้างพุทธการหมดถ้าเราพูดเพราะเราถือศาสตนาพุทธข้างเดียวเนี่ก็เป็นข้างพุทธการเหมือนกันเพราะถือศาสตนาพุทธเพราะพุทธศาสตร์นาที่มาในโลกนี้ถ้าจะนับเป็นกลับก็อาศงไขอสศงไขกับที่ล่วงไปแล้ว ที่มาอีกก็เหมือนกันก็มีพระพุทธเจ้าแต่และยุคละยุคละยุคเหมือนกันเป็นคำสอนอันเดียวกันทั้งนั้นไม่ต้องสองสัยเลยสินห้าก็อันเดียวสิ้นแปก็อันเดียวสิ้นสองรยยี่สิบเกก็อันเดียวสินสิบก็อันเดียวสินห้าก็ย่นลงมาเป็นสิ้นตัวเดียว ปานาทิตย์ัดอาทิตนาการมีมุสาสุราถ้าเราไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นศินตัวเดียวคมเดียวอยู่ที่ใจกมเดียวอยู่ที่กายวาจาใจของเรานะสินสิบถ้าเราไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นศินขอเดียวคมเดียวกันอยู่ที่ใจที่เจตนาเนี่ยที่ใจเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นผู้วางแผน จะทําดีหรือทําทั่วใจก็เป็นผู้วางแผนจะหลงหรือไม่หลงจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ใจเป็นผู้พ่าทาตายร่างกายแลาลว่าใาไม่รู้จักอิรูอีนี่เรียบเหมือนรถมันก็ไม่รู้จักอินูอีนี่ขับมันไปไหนมันก็ไปถ้ามันมีดินหน้าไฟลมพร้อมอยู่ถ้าดินน้ําไฟลมของมันไม่สมดุลเนี่ยมันก็ขัดข้อไม่อันหนึ่งก็ต่ออันหนึ่งเช่นยางแตกเป็นต้นหรือพาวขาดหรืออะไรสารพัดอะ มันก็ไม่รู้อีหนูอีเดว่าเดี๋ยวนี้เขาแต่งกูรีแล้วเดี๋ยวนี้กูชำรดแล้วมันก็ไม่รู้จักอะไรก็เจ้าของมันผู้รับจัดฉันในก็ดีร่างกายก็เหมือนกันมันก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้กูแก่บแล้วกูเก็บแล้วกูตายแล้วกูผมหงอกแก้มจอบแล้วมันก็ไม่รู้จักกันนอกจากไกลเท่านั้นจะเป็นผู้รับจัดเพราะมันเป็นเจ้าของรถเดี๋ยวไปทางชั่วทางดีมันก็ไม่รู้จัก และมันก็ไม่รับเหตุผลด้วยรถก็เหมือนกันเมื่อมันตกถนนหรือมันไปชนกันอย่างนี้มันก็ปแมงล่องทางโอยๆโ อ, อ้ข้าปวดมากข้าปวดมากข้าปวดมากเอาค่าเสียหายมามันก็ไม่ได้ว่าเจะพวกเราเป็นผู้เก็บนะอันนี้เอากนอันนี่เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันก็ใจเป็นผู้รู้จักเท่านั้นเพราใจเป็นหัวหน้าเข้าะใจเป็น ผู้วางแผนเก็นใจเป็นนายทุนที่เราพูดว่ารัฐบาลเป็นนายทุนเพราะข้าเป็นนายทุนคนนั่นเป็นนายทุนคนนี้เป็นนายทุนถูกอยู่นั่นเป็นของภายนอกส่วนนายทุนของท่านผู้ใดของใครของมานก็คือจิตใจนี่เองเป็นนายทุนเราเป็นคนเกิดมาเป็นคนมีเคราะห์เป็นคุนตายง่ายเป็นคนอาภาพปัดปัญญาอปัญญาอย่างนี้ ก็เพาะแต่แค่ก่อนนายทุนเราไม่ดีนายทุนเราพาสร้างมาไม่ดีคือใจนะครับเราเป็นคนตายง่ายก็คือนายทุนของเราเนี่ยพาไปฆ่าสัตว์ตวัดชีวิตนักทรัพย์ประพฤติภในกรรมอะไรต่ออะไรเกิดมาเราก็เป็นคนเคียดหายตายง่ายนะบุญพ้นผลของกรรมมันก็ขึ้นอยู่กับ พ, พยาจิตราเป็นผู้ ทรรนี้ก็เราเป็นผู้ทําทำไหวธรรมชั่วก็เราเป็นผู้ทำไหวธรรมนี้ก็ทําให้เราทํามชั่วก็ทําให้เราเราคยใจใจคือเราตามสมมุติจะปฏิเสธไม่ได้สมมุติก็ต้องเอาไว้ตามสมมุติจะเอาสมมติเอยมุดมาเป็นสงครามกันเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักมุดกับสมมุติจะเอากับจะเอาอัปตตากับอนัตตามาเป็นสงครามกันเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักอัตตาอนัตตา จะอาอาดีตอนาคตปัจจุบันมาเป็นสงครามกันเขาเรียกว่าเราไม่รู้เท่าอาดีตอนาคตปัจจุบันเพราะอาดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเราเป็นผู้บัญญัติใช่ดีชั่วอะไรก็เราเป็นผู้ทําลงแล้วเข้าใจเราเป็นเรื่องดีเราทําลงไปแต่มันได้รับชั่วใช่สิ่งไห น, นที่มันเป็นบาปเราเป็นบัญญัติว่าเป็นบุญมันก็ไม่เป็นเช่นเราทําบุญ พระเวทสันดนดรเราไปฆ่าโคฆ่ากระบืออะไรต่ออะไรสารพัดมันก็ไม่ไม่ใช่บุญพระเวทสันนอนมันก็บุญเปรตเนี่ยพระเวทสันนดอนมาได้ฆ่าโคฆ่ากระบือที่ไหนจะเอาชื่อรือนาวของท่านไปใส่ผลของบาปเราก็ได้รับพระเวทสันนอนมาได้รับด้วยเข้าสู่พระนิพพามแล้วทีนี้บางท่านก็กล่าวตูวว่าพระเวทสันอนดรพาดื่มเหล้า ถาเอาวล้าชนกันแต่พวกที่เขาขนองเขาไปทํากันพระเวสสันดรไม่ได้บอกที่เราทุกวันนี้แหละพวกดื่มสุราเราไม่ได้บอกเขาไปกินพวกเขาเจ้าเขาชวนหมูเขาไปกินต่างหากพวกใครพวกมันพระเจ้าพระสงฆ์เข า, าไม่ได้บอกให้ไปกิ น, นะ ทำดีก็ทําให้ตนทําชั่วก็ทําให้ตนตนคือใจใจคือตนอัติียอัตโนนาโถตนเป็นในพึ่งของตนใจเป็นในพึ่งของใจทําเป็นในพึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันตนทําลายตนใจทําลายใจทําทําลายธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อรู้จักเขียนก็ต้องรู้จักรบผู้เขียนก็เป็นเราผู้รบก็เป็นเรา ผูสมมุติว่าตนก็เป็นเราผู้สมมุติว่าอนัตตาก็เป็นเราผู้สมมุติว่าไม่ใช่เราก็เป็นเราก็เพราะเราเป็นผู้ไปสมมุติหมดทําไมจึงไปหลงปัญหาของตนทีนี้ทีไหนที่ดีก็เลือกทําท่านั้นถ้ากินทั้งทางความทงางไหนี้มันก็เจอข้าจําเป็นก็ต้องเลื่องเลือกพระบาทบําเป็นหุต คุณเป็นที่พึ่งของสักในโลกนี้ในโลกหน้าและพระนิพพาใจเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพาถ้าทําถูกถ้าทําผิดเป็นหนทางส่งสู่นรกเพราะลกอยู่ที่ใจพระนิพพาก็คือดับเพลินอยู่ที่ใจนับเพลินในวัดตาสงสารเพลินในวัดตาสงสารกระเพลินในหลุมถ่านเพลินทํำชั้นสูงก็มีความหมายอันเดียวกัน เพินในตัวในแก่ในเก็บ ใ, ใ, ในตาถ้าเพิ่นในลุมฐานเพิ่งก็มีความหมายอันเดียวค่ะเพชรนั่งฐานชั้นสูงจึงสอนให้ละอา่าสอนให้เบื่อสอนให้ตายขอสอนว่นาให้ยินดีในโลกทั้งฟูสอนให้เห็นโทษในความหลงโลกทั้งฟูทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ สมสถะพอดีวิปัสสนาพอดีก่อยู่ใต้อำ น, นาจของตายรับเกิดขึ้นแนี่ก็แปลปวดแล้วนะแต่สลายหมดไปเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนถึงพระนิพพานมีวิชาสอนโลกใครจะสอนดีเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสอนมนุษย์ก็ไม่มีใครจะสอนดีเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มี เล่มก้างขององค์ท่านมาสอนทางนั้นพูดต่อหน้าองค์ท่านซึ่งเป็นพุทธนิมิตก็เล่มก้างองค์ท่านทางนั้นละตอนนี้พระองค์ยังไม่เทศตอนนี้พระองค์ยังไม่สาวไม่มี่าวหมดแ้มีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะใจพระธรรมทั้งหลายมี ครบบริบูรณ์อยู่แล้วเพราะป็นรัชกาสดาเกิดมาในยุคใดขณะใดก็ตามทำทั้งหลายก็บริบูรณ์อยู่แต่คนแต่สัตว์ทั้งหลายทำจิตให้ห่างเหินจากสิธรรมของตนเป็นยุกยุคไปเหตุฉะนั้นจึงมีพระสมมาสมพระเจ้ามาเป็นยุกยุคถึงอย่างนั้นก็มากกว่าร้อยปูดเอ อันนี้กระซาตะโกตะโยเพราะผู้ได้เจ้ามากกวรอยขู่ถ้าพูดก็มู่ก็ต้องพูดมากถ้าเอาเฉพาะองค์เดียวแล้วก็ไม่ต้องได้พูดมากภาวนะอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเลยเพราได้ดในโลกู้วนอนิจจังได้ได้ในโลกล้นนวนทุกขงังได้ใด้ในโลก้วนอนัตตา อย่าสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตกับปัจจุบันด้วยถ้าพี่เจนาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เท่ากับว่าพี่ารนาศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ก็เท่ากับว่าพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกคำสอนลงมารวมในนี้เพราะความจะเบื่อหน่ายคลายมารณ์ว่าตาสงสารก็มีประตูเดียวเท่านี้จะเป็นนิสัยสุขใจก็จะโปรตีวิโชชละปิโนกตา วันที่สมามนี้ถ้าก็โตก็จะก็ต้องเจริญอันนี้จังทุกขังอนาตาให้เห็นครับจึงมีประตูเบื่อหนา่ายใครเมาในวัตจัต้องสารยานจึงจะเปิดประตูพ้อนิพพานจึงจะเปิดให้อดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่ อดีตคืออะไรคือธาตุดินน้ำไฟลมอนิยจังทุกขังอนัตตาก็คือโลกคือลวงไปแล้วอนาคตคือโลกที่ยังมาถึงปัจจุบันคือโลกที่กําลังเป็นอยู่คือสังขารที่กําลังเป็นอยู่สัตว์โลกโลกคือมูสสัต์โอกาสโลกโลคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกนั่นแก่ชักระมาเป็นเจ้าหกท่านพระมรโลกได้แก่รูปภพมชิพหกท่านโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลก สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารมีสองอย่างสังขารที่มีใจครองสังขารที่ไม่มีใจครองอุปาธินักสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาธินักสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งสองอย่างนี้แหละเกิดขึ้นแน่แปรปรวนแปรผายอันละเอียกก็เกิดขึ้นตามละเอียดแปรปรวนตามละเอียดดับไปตามละเอียดอันหยาบก็เกิดขึ้นตามอย่างแปรปรวนไปตามอย่างดับไปตามอย่าบพราระหว่างไม่ได้อยู่เป็นนิด ไม่ใช่เราละลึกถึงสิ่งนั้นจึงจะมีเราไม่ละลึกถึงสิ่งนั้นก็ต้องทักหยุดไม่จำเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นจริงยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนเช่นความแก่ของพวกเราอยู่ในตัวเดียวนี่ก็แก่ยังไม่มีกลางวันกลางคืนย่าใกล้จะเข้าไปตายอยู่ไม่มีกลางวันกคืนขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปนาฬิกาเดินครับครับเข้าไปตกใต้จะตายแก่แก่กว่าขึ้นขึ้นมาเมื่อกี้นี่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ยังไม่ใกล้จะตายอยู่นี่ใกล้จะตายกว่าขึ้นมาเมื่อกี้นี่นั่น จริงอยู่อันนี้ใครก็เห็นหรือไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เป็นปัญหาความจริงมีอยู่อย่างนั้นแต่ จ, จิตใจของเรามายอมตายไปไหนนี่จะยอมยินดีต่อคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะยอมยินดีในพระนิพพานจะยอมยินดีไม่มาสืบเก่บเกี่ยวตายอีกยินดีในพระนิพพานาคณะกิตเดียวยังยินดีกว่าอยู่ในโลกในสงสารตั้งละล่านาคณะกิจนะพูดน้อยไม่พออธิบาย พูดหลายก็เป็นบ้าเมาหนำลายนะบ้าเมาเมาหนำลายก็ยังดีกว่าบ้าเมาเหล้าบ้าเมาเหล้ามันเสียเงินบาปอีกด้วยท่านผู้ใดเคยภาวนาอะไรก็ตั้งหนักในภาวนา พุทโธก็ดีเหมือนกันพราะโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บไม่พามาตายธัมโมสังโฆก็เหมือนกันคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณวิรามนาผุยานตาท่วดซกเหาะกันเข้าได้ทั้งนั้นคุณวิรามนาผุยานตาทวดเปรียบเหมือนคุณพระละหันการทำวัด ว่าในธรรมวัาแต่เฉพาะพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์ทั่วทั้งใจโลกาสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงไม่ว่าแต่พระพุธะทธธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าก็จะขอสมาทานผูกขาดจองขาดเมื่อให้มีเวรนิพพัยเข็ดสัมผูใดเลยกุศลพ้นบุญที่สร้างมาในพบ ก, ก่อนแชกก่กอดก็ดีวัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีจะผูกขาดจองขาดอุทิศให้แก พวงสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงทุกคนหน้าทั้งสิ้นเขาอยากได้มีมีเวนีไพรถือเขาอาภัยแล้วขอโทษอยู่ทุกเมื่อเขาอยากได้มีเวนีไพรต้องนึกอยูสมาทานอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งต้องพิสใช้เวนไพยจึงไม่มีเราขอทําทวัดมดร่วกระถางไม่ต้องการเวนไพรกับใไร อ, อยากจะ เกิดมากพรความทุกข์ร้องไห้มันจะมาผ่านทุกเวลาตายก็เบียร์มืไปเลยนีนน่ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เสมอๆ เ, เราจะมาจมอยู่อย่างนี้มันก็จมไม่ไหวนี่เพราะเหตุไดเมื่อเป็นอย่างนั้นก็สอดสยองให้เห็นว่าพวกเราทั้งหลายได้สอดสยองให้เห็นว่าสร้างบุญบารมีแก่ดกล้ามาแล้ว ตาหูจมูกริมนต้ใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเดียวนี้เราเคยใช้มาแล้วเราเคยเป็นข้าเป็นทาสมาแล้วเคยเป็นข้าเป็นทาสตาทาสหูทาสจมูกทาสริมทาสกายทาสใจทาสลู่ทาสเข็นอะไรต่ออะไรมาแล้วเคยแก้ปัญหาของตนไม่ตกมาหลายข้าหลายภบแล้วเคยมาเคยแก่เก็บใจทิ้งในวัดอาสงสารเนี่ยมากแล้วไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าทั้งนั้นตรงนี้ อของเก่าที่พวกเราทั้งหลายเคยมาท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั่นเองใ น, ในใต่โลกราเทศอย่าเข้าใจว่าเป็นของใหม่ชั่ว ก, กรับเดียวเก็บกระดูกไว้คนล่เข้าหัวมือใหญ่กว่าภูเขาซินโรล่าน้าตาจะออก้านระยดแท่นั้นละ เก็บไล่มาให้ล่วงไปไหนชั่วกับเดียวก็สีมหาธามุแล้ ว, ว เ, เมื่อเป็นอย่างนี้ใครจะยินดีในวัดสายของสารจะไม่ยินดีในพระนิพพานมันก็ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ใครจะเป็นที่ข้ามาเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่มากินมาขี้อยู่นี่นั่นถ้าคิดมันลงดิ่งเห็นอย่างนั้นชัดด้วยปัญญาของตัวเนี้วเข้ากลมเข้าลมออกแล้วมันก็ไปไม่ไหวอีกเหมือนกันนั่น ใครจะมารวงมนได้ในโลกอันนี้เห็นความแก่เก็บตายคณะหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วนั่นเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วนั่นเพราะโลกเต็มไปด้วยอ น, นิจจังเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็สองทะเลาะลูกภูเขาสองก็เห็นหมดแล้วในไปโลกธ า, าตุเนี่ยเพราะโลกธาตนี่เต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้เราทั้งหลายแก่มายินดีจมอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวจะเป็นมันก็ต้องได้เบื่อนาย คลายเมาความเข้าใจผิดของตนถอนออกมันจะไปอยู่ที่ไหนเ อ, อถ้าพิจานณาเนืองมันก็ถอนอยู่นเนืองๆมันก็พ้นไปนเนืองัด ม, มาที่เอาทัศนาจรแก่ทัศนาจรเก็บทัศนาจรจรตาย พัฒนาจรความหิวความอยากอยู่ในวัดตาทงษาเนี่นานแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลินเหลินนี่เราเข้าใจว่าเป็นของใหม่แก่เก็บตายมันก็เป็นแก่เก็บตายของเก่าที่เคยแก่เก็บตายมาแล้วกินก็เหมือนกันขี้ก็เหมือนกัน หิวก็เหมือนกันอยากก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนะถ้าเราสอนแสดงให้เห็นว่าเราเคยพบเคยเห็นหมดแล้วไม่มีอัะไรจะปิดบังเลยในตจโลกธาตุเห็นอันนี้จังทุกครั้งนัตตาพอแล้วมันไม่มีสิ่งที่ปิดบงังเรียกว่าทะลุภูเขาเรียกว่าทะลุแผ่นดินนั่งอยู่เยอะนี่ก็เห็นประเทศอเมริกาก็าเห็นประเทศเรัสเซียก็เห็นความเกิดแก่เก็บตายเห็นกองทุก ขโขลบ ก, กันทุกวันนี่ใครได้เป็นสุขเอ้าเขาแย่งแผ่นดินกันอยู่ทุกวันนี่ผลที่สุดก็คือตายนะใครเป็นเจ้าโลกเขาลบ ก, กันมานานแล้วเช่นเาวาดึงเขากลับลบกันมานานแล้วใครเป็นเจ้าโลกก็ไม่มีใครเป็นเจ้าโลกนั่นคือทั้งหลายอย่ายินดีในโลกแ้างพวงเถิดสัพพโล ก, กี อันนี้ถกัญญาพอดีอันนี้จะสัญญาพอดีพระลังสังพระเยซุอันนี้ถกัญญาพอดีในพระบรมศาสดาประกาศ โ, โก้งเลยเสียงเงเลยมาเถอดลูกหลานเอ๋ยมาเถอดลูกหลานเอ๋ยคำสอนแต่ละบ่อนละบาดและข้าก็ว่านองเรียบยดยไม่มีกลาวันลางคืน อย่านอนใจนักเนอ้อลูกหลานเอ๋ยไฟไหมหัวเนอ้อใช่ก็ว่านย่นันนะไฟไหมเธอทั้งหล้ายอยู่พรุ่งนี้เธอจะดับมันจะทันไหมนะเธอต้องรับดี๋างนี้เนอ้อมาเนอ้อมาเนอ้อพ่อข้ามมาแล้วสั่งนี้พวกลูกพวกหลานรีบรียข้ามมาเนอ้อหมายความว่าเรียกจะพวกที่มันบางแล้วพวกที่ยังมันหูหนาตาเถื่อนอยู่มันก็ไม่ฟังอะไรละนะ เพราะพวกที่บางเล้วยมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนี่ผู้ชั้นสูงเอาของชันงนนนนบบ้นสูงต้อนรับท่านพระบรมศาเลาผู้ไม่ยังไม่รู้อินุ่งไเดีย ก, ก, กาา็ขอสะอาาขอสะอาคขาเจ้วก่อนถ้าถึงมัธยมแล้วท่านก็เอาของสูงให้ ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะอยู่ในโลกภาวนาเพื่อถ่ายถอนความหลงของตนออกจากโลกต่างหากโกตาโลกหูโลกจมูกโลกนินโลกกายโลกใจโลกภายในโลกภายนอกโลกลูกโลกเสียงโลกกลิ่นโลกรสโลกปวดสะพะโลกธรรมารมสิ่งเหล่านี้เป็นของเก่าทั้งนั้นสักทั้งนั้นก็ต้องเที่ยวอยู่นี้ถือว่าเราว่าเขาว่าจัดว่าคนว่ากูว่ามึงแล้วก็กูตายมึงตายกูแก่มึงแก่กูเก็บมึงเก็บ กูสารพัดมึงสารพัรดเขาบอบเรามาศาสตร์รดาเบื่อแล้วไปเลยวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาสอนให้เบื่อหนายโลกไม่ใช่สอนให้เป็นเพจมาเฝ้าโลกพูดกันอย่างอย่าตกองไปกองมาเลยนั่นีหลยสอนเรามาให้ไม่ไม่ให้มาเป็นเพจเฝ้าโลกอยู่สอนให้เบื่อหน่าในโลกในสังขารในคว ง, งในที่ความหลงของตน ไม่ใช่สอนให้มาเพาะปูก ค, ความหองของตน้นนะพระพุทธศาสนาทาชั้นถุงมาๆๆไปด่วนด่ว น, วนมากด่วนมากงานด่วนไม่ใช่งานไม่ด่วนเนอะถ้าปุณณะมันตาในบุตรเธอพิจารณาอะไรสุภมิที่นาว่าอภิษฐรษถาสร้อยคำทิ้จังนาให้มีความปารถนาน้อยสันติทิศษถา ค้อคำที่ยังนำให้ตั้งโดดยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ปวิเวทสักกถาถ่อยคําที่ยังนำให้สงัดกายสงัดใจอสังสักกถาถ่อยคาที่ชักนําให้ละคนด้วยหมู่ให้เว้นออกจากหมู่ภาวนาบ้างวิริยาดำสักกะถาค่อยคําที่ยังนำให้ปรารบความเพียนศีลสกถาถ้อยคําที่ยังนำให้ตั้งอยู่ในศีลมีทิ้งห้าเป็นต้น สมาธิคาถาทอดคำที่จะนาให้ธรรมใจสงบบ้าปัญญาคถาทอดคาที่จะนําให้เกิดปัญญามิมุติคาถาทอดคําคที่จะทำแค่นาให้ธรรมใจพ้นจากกิเลสวิมุติยานัทสนาคาถาทอยคําที่จะนําให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสมาเป็นขั้นตอน แต่พระสวัสดีวันจนถึงพัะพาคามีจนถึงพระอนาคามีจนถึงพระลหันกับผมนึกอย่างนี้เขาจะค่ า, าเออเธอนึกนี้แล้วถูกแล้วแต่ยังอีกข้อหนึ่งทำอันนี้เป็นของไม่ควรเนื่องฆ่าเออรีบทำเสียหนึให้เธอเลึกและเลึอกอีกข้อหนึ่งเป็น11ข้อน่นทำชั้นถูงที่นี่มรรคผลนิพพาน มีแต่พระพิชุตสามเณรหรือจะได้คารวะได้หรือไม่โสดาบันรักษาคาเมียนาคาเมีอาณาหันหาทางคารวะก็มีอยู่แต่ทางคารวะไม่สามารถจะอยู่ได้ส่วนเจดวันถ้าถึงพระรหัเนี้ก็ต้องเข้าสู่อนุปการเสีสชะนิาพาก็อยู่ในคารวะไม่สมฐานะของ พ, พระเอกสรหันเหตุนั้นจึงบรรลัยให้สิ้นลมบางเข้าสู่พระนิพพานเสียเว้นไว้แต่มาบวช แล้วจึงเก็บอยู่สิ้นอายุไขส่วนพระอนาคามีในทางคารวะจะคลองคีบจนถึงสิ้นอายุไขพระโสดาวันก็เหมือนกันพระต ถ, า, ถาคามีก็เหมือนกันะพระอนาคามีก็เหมืนกันพระโสดาวันในทางคารวะมีสิ้นห้าประจำไม่เสียดายอยากล่วงสิ้นห้าเลยไม่เสียดายอยากถือศาสด้าอื่นเลย มีผู้มีผู้มาพูดเรื่องศาสตราอื่นให้ฟ mm ังใจก็ฟังเฉยๆครับครับคับเฉยๆแต่ไม่เชื่อแต่ไม่ร่วมสายแต่แม่คัดคัดคอเขาครับครับครับเฉยๆอันนีะพัศนุเทศไม่ถื้อศาสตราอื่นนี่ภูมิของพระสวสดาบันเขาพูดเรื่องผีทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ ก็ไม <S an> ่เช <an> ื <S an> ่อเขาเขาขนาบขนาบเฉยๆขี <S an> ้เกียจพูดตัวเขาแค่จะเทศออกเขาก็เทศเอาไม่ได้ก็คนาบขนาบไปเฉยๆเขาระวัดเพราะว่าเขาผ่ารักษาสินห้าพระสวัสดิบันตัวรักษาเขาเขาเข้าไปแก้าบริวูนอยู่เข้าไปแก้าไม้รับดอกพรสวัดิบันไม่ได้อวดดีเพราะรักษาสังคมไอ้ไอ้พี่แพทย์พระสวัสดิบาลในเข้าใจว่าสินห้าของเราล่วงละเมิดไปที่ไหนเราไม่เสื่อใจอยากร่วงละเมิดเชื่อด้วย ขณะคิดหนึ่งก็ไม่มีเหมือนน้ำลาย้อว้นออกซิ้งพระชนวันต้องสามารถอ่านารอย่างนั้นม่สารก็เหมือนันไม่เสียดายพูดปดเลยพุราก็ไม่เสียดายอยดื่มเลยนะก้าเมก็ไม่เสียดายอย่าล่วงละเมิดไม่เสียดายอย่าล่วงละเมิดในระหว่างผัวในระหว่างเมียของตนเองและลูกที่เขาพวงหน ไม่เสียดายอยากทําถือว่าเป็นเวรถือว่าเป็นภัยจริงๆถ้าเราจะทาเก่งมามันจะผิดศีลอย่างนั้นไม่ใช่ น, น, น, น, น, นั่นคุกมันจนโคบาลและศีลนี่รับเลี้กครูเลี้ยงศีลอยู่เหมือนโคเพราะโงเก่งมันจะหนี้ไม่เสียดายอยากทําเสียเลยถือว่ามันเป็นบาปเป็นเวรจริงๆนั่นคุมมระตัดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอาบุอาบายามุขอีกด้วยนั่นนั่นเราคุมพระตัดาบัน ตายระยะไหนก็ต่อไปไมันไม่มนุษย์ก็สวรรค์อย่างมา ก, ก็มาเกิดอีกแปดชาติเ็ดชาติไม่ถึงแปดอย่างที่สองมาเกิดสามชาติอย่างที่สามเกิอดอีกชาติเดียวก็เข้าสู่พระนิพพานนั่นนะ่ะพวกนั้นนะ่ะเป็นชีปฏิปันโนนับเข้าในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาวันที่โตขันามาว่ะสังวันที่เป็นผู้ครองเงือนก็คือนับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป พนะระพุทธเจ้าของเรามีตั้งหมืนๆนั่นล่าในกรุงอัษฎ์ ก, ก็ดีกรุงอะไรก็ดีอืนั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นขัง้งพระพุทธเจ้าอยู่ก็เพราะคาสอนของท่านยังมีอยู่เราเข้าสู่พระา槃ไปก็จริงแต่คําสอนของเรานนัเองจะเป็นศาสตราของท่านทางหลายท่านทางหลายจงอย่า ไ, ได้ประมาณเนอะบงมศาสตราเมื่อเรายังอยู่ก็ดี จะมีอยู่กี่ร่างร่างพระองค์พอดีเมื่อพวกเธอไม่ปฏิบัติพวกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ปฏิบัติต่างพวกเธอไม่ได้เมื่อพวกเธอไม่ปฏิบัติสิ่งหนำจะมาจับชายกีวัรของเราอยู่ก็เรียกว่าไมาเห็นเราตถาคตผู้ได้เห็นธรรมพู้นั่นเห็นเราผู้ได้เห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมพู้นั่นจะพูดธรรมเรียกว่าผู้นั่นจะพูดเราผู้นั่นปฏิบัติธรรมเรียกว่าผูดปฏิบัติเรานักพระพุทธเจ้าเนื่นลง จะมาหาสุขในวัดกลางสงสารมันไม่มีถ้ า, ามันมีพระอริยะเจ้าท่านก็อยู่ก่อนเราแล้วยัดเยียดกันแล้วมันมีที่อยู่จากเราเกิดที่หลังนะอ่ะเออมันไม่มีสุขละท่านยังไม่อยู่มันไม่มีสุขเท่ามะเร็งนาเลยถ้ามีเท่ามะเร็งนาวิญญาณมรดิสถิตขององค์ท่านก็ไปอยู่ที่นั่นท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้นะมันไม่มีเชื่อเลยท่านจึงพากันเข้าสู่พระนิพพานไปซะ ก็ยังเหลือแต่พวกเราพวกเราก็นับเข้าแอ่นนั่นลงหนึ่งเหมือนกันตั้งคีวไวเหมือนกันท่านหมดทางไปพวกเรายังไม่หมดทางไปมีห้นทางจะไปสู่พระนิพพานอยู่ไม่ไม่ใช่คนหมดท้นทางพวกเรา ไม่ไปนระกก็ต้องสวรรค์ก็ต้องทรัพย์ยศานก็ต้องเฟรอหรือก็ต้องสวรรค์พระอรียเจ้านี่ยหมดขั้นทางแล้วมันมีที่ไปก็เลยเข้าสู่พระนิพพานไปแล้พวกที่ยังไม่หมดขั้นทางเนี่ยมันเก่งอยู่ทุกวันนี่มันสนองเวียนสนองภัยกันอยู่พวกที่หมดขนทางเข้าสู่พระนิพพานหมดแล้วเพราะไม่มีที่ไป และก็มายัดเยียดกันด้วยนะไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยเรียนวิชาไม่อยู่โลกพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาเรียนวิชาหนโลกนายเกิดนายเกยนายเจ็บนายตายเรียนวิชาสวดสอนเรียนวิชาสวดถอดสดถอดนายเกิดนายแก่นายเก็บนายตายละอาเก็บลา เรียนวิชาเชล็หลับในวัดพระสงสารพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพรเพทธศาสาระมพุทธศาสนรหมายเขพทศาระมเพุทธศาสนาหมายเขาพทศาระหายเามพุทธศาสพราุทธศาสารหมาเทศาะเุทศาราเขานพราพุนระหม า, น า, า, าหนนนสนรทสารุนนราสสาร กิเจะมีเต็มแผ่นชาแผ่นดินก็ตามปัญหาก็ขาดกระเด็นออกไปกี่เลดกี่เลน้อยเลยขาดไปแ ล, ล้วไม่คืนมาถ้าเราปรารถนาปจัจเจ sĩ กิริวัยมิเชบาทเจนาสนะและเศสัตย์หรืออะไรต่ออะไรในวัดตาสงสารอันนี้หวังเอาหน้าพระพุทธศาสนาไปแรกเพื่อจะซื้อง่ายขายคล่องก็ดี เพื่ออะไรอะไรก็ดีเพื่อร่าเพื่อยศเพื่อสรเสริญก็ดีปัญหามันก็มากทำไมปัญหามันจึงมากก็สอนแสดงให้เห็นเป็นคันท้คํำทดสอบอยู่แล้วถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรามันยังไม่เตือตื้นรีบทะมันก็ต้องบอกอย่างนั้นบอกเจ้าของเออ มันก็มีเครื่องทดสอบบอกอยู่เหมือนกันเราเลื่อมใสขนานไหนเราเห็นธรรมขนานไหนเราพูดแต่ปากหรือเราถึงพูดทั้งเห็นพิจารณาเห็นอย่างนั้นมันก็เราเป็นพยานเราเท่านั้นมันมีใครมาเป็นพยานเพราะพะยานเจตนาไม่มีแว่ไวแต่เจโตปริญ ญ, ญาดรู้จากหักใจของท่านผู้อื่นเ่านนเหลือเน่านั้นมันก็เอาเราเป็นพยานเท่านั้นแหละออ นับพีโลเกและหัวดมความนับไม่มีในโลกมันจะรับยังไงเรานึกยังไงเราก็รู้จักอยู่เราเลื่อมใส พ, พุทธศาสนาขนาดไหนเราก็รู้อยู่เราไม่เลื่อใสขนาดไหนเราก็รู้อยู่นะเราพูดแต่ปากเพื่อเป็นอำนาจเพื่อให้คนนับถือเราก็รู้อยู่ เราพูดจริงเราก็รู้อยู่นั่นมันมีณที่ไห น, นในวัคคีศาสตร์นั่นปัญหามันไม่มากปัญหาที่มันมากอยู่นี่ก็เพราะกิเลสของเรามากปัญหาก็มากถ้ากิเลสของเขาน้อยปัญหามันก็ น, น้อยเพราะเราเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นพยากิเตราดเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้น ถ, ถ้าพยาคิเตราดเขียนชัดในวัดกาสงสารนี่ เต็มไปด้วยกองทุกมีแต่เกิดแก่เก็บตายทุกขังอันนี้จางอนาตาเนี่ยความเพลินมันจะมาจากประตูไหนถ้ามันเห็นกันซัดถ้ามันเห็นตามสัญญาที่เคยฟังมามันไม่ได้พึ่งกณหาพ่อๆกับลมเข้าลมออกของมันมันก็ไปแน่มันเห็นพ่อๆกับลมเข้าลมออกของมันอีกด้วยมันเห็นพ่อกับคณะคิดที่ยึดของมันอีกด้วยใครจะมาโกหกมันอย่านี้ไปโรกหัวยนั่นเถิดไปโรคหลงหน่วยนี่เถิดมันเป็นสุกมันก็โกหกพวกลมมาได้ ถ้าคนทุกเนี้ยเราก็รับรองว่าจะเป็นถูกถ้าม้คนทุกจะมาโกหกเราเลยมันก็ตอบอย่างนั้นในใจของ ม, มันมากพูดไปพูดงาก็ น, น่าเบื่อพูดก็ฟ้าบ่บ่ นึกอยาว่าจะเอาให้คุ้มปีนปีดขึ้นมาเหนื่อยมากปีตขึ้นมาเหนื่อยใช่คุ้มบ้างไม่ ว, ว่าอย่างนั้นหรอกที่นี่ท่าเนเพื่อไหนรจะป่าล้อะไรกับป่าล้มซ<ๆ>ักเดี๋ยวๆหนังสือที่เราเอามาเออ พวกชาวบุญก็ทัศนาจรไปตามบุญพวกชาวบาปก็ทัศนาจรไปตามบาปบันทัศนาจรของไทยของมันทัศนากรอ่านว่าทัศนาจรอ่อานยกขึ้อีกองงครับพุทโธตมโอตัคโวพุทธคำสงฆ์นิพพานรับเพื่อพระ น, นิพพานไม่ได้รับเพื่อบูชาชีวิต อคุณธคำ ส, สงฆ์ใาแรับเพือ่อพระในฟาดเพื่อบูชาพระในฟาดแม่ได้บูชากิเลสเตรียมตัวแล้วถึง็วันลแล้วถ้าเดินเข้าทุกทีทุกทีทุกทุทกทีที่กำตามที่องค์ทรงกำห ที <accurately S 2> ่มันจะต้อี่ไหนเราอเรามาศาสนาพูดหมดแนะเี dad, ่ยวอาจชาินองพ่อตัก็ได้ว่พอมาจันพูดหมดแล ke, ้วเทศหมดแล้วทำยังไงนั่นเองจะเป็นศาสนาของพกเธอทังหานะเธอข้างหลายอย่าไปสงสัยโอ้อาวุเต้องให้ทาไมเธอทีรักาไมที่รักไม่มีในเราแล้วเราเทศแท้เธอฟังหมดแล้ว เนี่ยเราเข้าสู่พระนิพพานเราก็ไม่เพ่งโทษเราตอนนั้นเราก็ม่ยังไม่ได้สอนมนุษย์เทวด า, ามาร์มเราเสียดายเราโวแล้วเราพลาดแล้วเราก็ไม่ได้ตีเตียงเเห็นฉะนั้นเราจึงเข้าสู่พระนิพพานแบบสบายๆพระบรมสารีริกธาตุไม่ได้เพ่งโทษตนเองเลยน่ะทีนี้พวกเราง่จะตายเยันตาม อก็ขอต า, ามครูแระอุจจระองค์ท่านก็บอกสิ่งไหนองค์ท่านไม่บอกมีมาจากประตูไหนไม่มีสอนาทางโลกทางธรรมเลยเพราะเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์เป็นการพระโสบัาสดิบาลศรัทธามีอาหา ร, ราจรึงทรงพระนาว่วาโลวกวิถีพูและแก่งโรกศรัทธาเทวมุตสาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลาย สอนได้ทั้งคนขั้นต่ำทั้นสูงไม่ว่าแต่เขาไม่เอาเท่านั้นถ้าเขาไม่เอาพระบรมศาสุดาจะทําต่างก็ไม่ได้เราเป็นเพียงบอกเฉยๆจะทําต่างพวกเธอไม่ได้เธอหิ้งนอนก็ต้องนอนเองหิ้งน้ําก็ดื่มเองเราเป็นเพียงที่บอกถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็เอาอะไรบอกทวกท่านไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นผู้อยู่เนื้อทําเราอยู่ใต้อํานาจของธรรมทำไมีอยู่ก่อนเราแล้วเราจึงรู้ถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหตุฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมพระบรมศาสุดา บ้างท่านมาแตง่งอืมมาแต่งให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาแต่งเจ้าอาวาสแตงผู้ช่วยเจ้าอาวาสพวกฝ่ายพวกครองอันนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ถูกใครก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ข้บวชเข้ามาก็มาขอนิศสัยกับครูบาอาจารย์ไม่หั่งพาโรลห้ามปีเทรักษาพาโรภาระของท่านมียังไงข้าพเจ้าจะทําตามไม่นไว้แต่เหลือวิสัยหรือนอกทํานอกวินัยข้าพเจ้าจะไม่ทําถ้าถูกทําถูกวินัยแล้วข้าพเจ้าจะรับใช้ท่านอยู่ทุกเมื่อทิกสุดวงในมาบวชก็ต้อง <c oughs> ปฏิญาอย่างนั้นก็ต้องไปขอนิศสัยอย่างนั้นจะผู้ช่วยผู้ช่วยท่านอาวัต จะมีแต่เฉพาะผู้แต่งมันก็ไม่ถูกเขาก็ช่วยมดวัดเนี่ยผู้ช่วยเจ้าอาวาสเราขอนิสัยกับครูบาอาจารย์มัมดทุกองอา้าสมมติว่าเรามีศรัทธาทางอื่นผู้เขาอยู่เขาก็รักษาวัดรักษาครูบาอาจารย์เขาไม่ช่วยหรือนั่น ตั้งหรือไม่ตั้งผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเจ้าผู้นั้นเราเป็นเจ้าเอาว่าใครมาตั้งพอ่อตั้งแม่ให้ไม่มีใครตั้งใครทําเขาออกมากับผู้นั้นเราเป็นพอ่อเป็นแม่ <c oughs> ใครมาตั้งให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าใครไปตั้งให้ก็พ้นจ่าขี้เหร่แล้วสร้างวลีมาเตรียมตื่นแล้วก็ตั้งให้ถ้าอย่างนั้นก็ตั้งให้พระโกพระขอพระคอพระงอเป็นพระโสดาบันสกคาคามีนาคามีอรหันต์สัง ติดตั้งให้เรื่องเ่านี่เราเบื่อมากคนกันแต่ เ, เราเอามาพูดทีนี่ตอนหลวงปู่มั่นไน้พาเนี่ยเกิดชกเถียงกันครูวาอาจารย์เราก็เป็นผู้ฟังทีนี่เกิดทกเถียงแต่ว่าไม่ทะเลาะกันหรอกแต่ ว, ว่าเถียงหาความจริง ที่นี่พนเพชรสามเนไม่ควรไปทำกระต๊อบอยู่ที่ป่าที่เขาเพราะมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของโกดธและภูราไม่ควรไปทากระต๊อบหรือไม่ควรไปพักอยู่เป็นพระตออะไรกับอยู่ที่ป่าที่เขาอยู่ที่ต้นไม้พักงหญ้าอะไรต่ออะไรถ้าไม่มีทำเนียบ